เรื่องที่ 25. ความรู้เรื่องพระภิกษุณีศาสนิกชนแห่งพระพุทธศาสนาตามหลักฐานทางบาลียืนยันว่ามีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้นสี่เหล่าคือพระภิกษุพระภิกษุณีอุบาสกกับอุบาสิกาแต่มาสมัยนี้พระภิกษุณีไม่มีแล้วโดยที่ภิกษุณีวงได้ขาดตอนลงไป และไม่สามารถจะสืบต่อได้อีกเป็นอันขาดตลอดชั่วศาสนายุการของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้หากจะมีได้อีกก็คงต้องขอให้พระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตรัสรู้และวางศาสนาซึ่งจะเป็นเวลากี่แสนกี่ล้านปีก็ไม่อาจกำหนดได้พระภิกษุณีเป็นสมบัติอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาได้ร่วมมีบทบาทในการประดิษฐานพระศาสนาอย่างมากมาย จึงเป็นที่น่าเสียดายที่ภิกษุณีวงได้ขาดตอนลงเสียและพร้อมกันกับความรู้สึกเสียดายก็ได้เกิดเป็นปัญหาคลุมเครือในทางการศึกษาและผู้สนใจทางศาสนาในประเด็นที่ว่าการที่ภิกษุณีวงขาดลงเสียในเวลาอันสั้นนั้นจะเป็นความบกพร่องของใครกันแน่หรือมีมูลเหตุอย่างไรการเขียนบทความสั้นๆเรื่องนี้ ประสงค์จะช่วยท่านคิดหาคำตอบในประเด็นปัญหานี้ม่ใช่คิดจะสถาปนากิจกรรมภิกษุณีขึ้นมาอีกใจความที่เก็บได้จากเรื่องราวต่างๆปรากฏว่าพระนางมหาประชาปีโคตมีพระเจ้าน้าของพระพุทธเจ้าได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณีองค์แรกในศาสนาประมาณไม่เกิน1ิปีหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ พอได้รับอุปสมบทจากพระสัสดาแล้วพระนางก็ได้รับพระพุทธอนุ ญ, ญาตให้เป็นปวตินีคือเป็นอุปชาให้อุปสมบทแก่สตรีอื่นได้คือพระผู้ให้อุปสมบทแก่ผู้อื่นได้ทางภิกษุเรียกว่าอุปชาทางภิกษุณีเรียกว่าปวตินีต่อจากนั้นมาพระภิกษุณีก็ได้เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว และได้มีบทบาทในการประกาศศาสนาอยู่เป็นนันมากแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าเพียงประมาณ30ปีเศษหลังจากได้เกิดมีพระภิกษุณีองค์แรกแล้วเรื่องราวเกี่ยวกับภิกษุณีหายเงียไปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสนักปราชผููเยี่ยมยอดทางพุทธศาสนาทรงตั้งข้อสังเกตไว้หน้าฟังทีเดียว คือทรงตั้งข้อสังเกตไว้ว่าในคราวพระพุทธเจ้าเสด็จป ร, รินิพานและในงานถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระซึ่งบรรดาพระสาวกไปชุมนุมกันอย่างพร้อมเพรียงนั้นไม่ปรากฏว่ามีรายนามของพระภิกษุณีรูปใดอยู่ในงานนั้นเลยจากข้อสังเกตที่ประธานไว้นี้ชวนให้เห็นคล้อยไปตามพระวิจารที่ว่าภิกษุณีวงได้คอดกิ่วเข้าเต็มที่แล้ว คือจวนจะขาดตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่แต่จะลงความเห็นว่าหมดภิกษุณีแล้วทีเดียวก็ไม่ได้เพราะปรากฏว่าหลังจากพระพุทธเจ้าของเราเสด็จป ร, รินิพพานแล้วยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระภิกษุณีอยู่ปรับปรายที่ภิกษุณีได้ทํางานชิ้นสําคัญที่สุดเกี่ยวกับความมั่นคงของศาสนาก็มีอยู่อีกสองคราวคือคราวที่คณะสงฆ์ทําสังเยตนาครั้งที่สอง หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว100ปีพระภิกษุณีรูปหนึ่งชื่อนันทาได้เป็นผู้รับมอบพระรากคณะสงฆ์ให้เป็นผู้ติดต่อกับฝ่ายราช า, าจักรซึ่งมีพระราชากาลาโศกเป็นประมุขและต่อมาอีกประมาณหลังพศสองคือในยุคพระเจ้าอาโศมหาราช ปรากฏเรื่องราวในตำนานว่าพระโอรสและพระธิดาของพระองค์ได้ทรงผนวดคือพระมหินทรเถระกับพระสังฆมิตตาเถรีและท่านทั้งสองได้รับมอบภา ร, รกิจจากพระบิดาให้นำศาสนาเข้าไปประดิษฐานในประเทศลังกาในโอกาสนั้นพระภิกษุณีสังฆมิตา ได้ให้อุปสมบทแก่สตรีชาวลังกาเป็นจำนวนมากเช่นพระนางอนุลาเป็นต้นจากเรื่องนี้แสดงว่าวงภิกษุณีได้รุ่งเรืองขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศลังกาและที่นั่นก็คงจะเป็นแหล่งสุดท้ายที่ภิกษุณีวงขาดศูนย์สำหรับพุทธศาสนาฝ่ายทักษนิกายแปลว่าภิกษุณีวงยืนนานมาได้จนถึงหลังพุทธภรินิพาน ไม่เกินห0 0อปีซึ่งก็นานโข อ, อยู่เหมือนกันในเมื่อเทียบกับสถาบันทางโลกส่วนมากมูลเหตุที่ทำให้ภิกษุณีวงคาต้อนลงในเวลาอันสั้นกว่าวงภิกษุสงฆ์นั้นข้าพเจ้าคิดว่าส่วนใหญ่มาจากพระพุทธบัญญัติอย่างแน่นอนหมายความว่าข้อบังคับต่างๆเกี่ยวกับพระภิกษุณีได้เข้มงวดกวดขันมากจนตั้งอยู่ไม่ได้ และที่เป็นดังนี้ก็ไม่ใช่เหตุบังเองิญหากเป็นไปตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าผู้ทรงวางรากฐานศาสนาหากจะอุปมาว่าศาสนามนท น, นี้เป็นวัดวัดหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงเป็นสมภารทรงให้ปลูกต้นไม้ไว้ประดับอารามหลายชนิดด้วยกันภิกษุและอุบาสกอุบาสิกาก็อุปมาเหมือนพืชลงดิน ส่วนพิกษุณีเป็นต้นไม้ปลูกใส่กระถางซึ่งจะอยู่ได้ยืนนานเพียงใดนั้นท่านผู้ปลูกก็ย่อมทรงทราบล่วงหน้าแล้วข้าพเจ้าหมายความว่าการที่พิกษุณีวงขาดตอนลงในเวลาอันสั้นนั้นไม่ใช่ความผิดหวังของพระพุทธองค์แต่อย่างใดต่อไปนี้โปรโดพิจารณาเปรียบเทียบพระพุทธบัญญัติอันเป็นข้อบังคับของพระภิษุณี 1. ตำแหน่งพระอุปชาฝ่ายภิกษุภิกษุมีพรรษา10เป็นพระอุปชาได้และเมื่อเป็นแล้วจะให้อุปสมบทแก่กุลบุตรได้ไม่มีจำนวนจำกัดฝ่ายภิกษุณีภิกษุณีต้องมีพรรษา12จึงจะเป็นปวตินีได้และเมื่อเป็นแล้วจะให้อุปสมบทแก่กุลธิดาได้ปีละหนึ่งคนและจะให้อุปสมบทติดกัน2ปีไม่ได้ 2. การเตรียมบวชฝ่ายภิกษุอาจบวชเป็นสมณีในวันนั้นแล้วบวชเป็นภิกษุต่อเนื่องกันไปก็ได้ฝ่ายภิกษุณีต้องบวชเป็นสมณียรีอยู่จนครบ18ปีแล้วบวชเป็นศิคามนาอีก2ปีจึงบวชเป็นภิกษุณีได้หากในสองปีนั้นศีลขาดต้องนับเวลาขึ้นต้นใหม่ 3. ไตรจีวรฝ่ายพิกษุผ้าจําเป็นสําหรับพิกษุที่เรียกว่าไตรจีวรมี3มผืนคือสบงจีวรสังคาติฝ่ายพิกษุณีสําหรับพิกษุณีต้องมีหผืนคือ3ผืนเหมือนพิกษุเพิ่มผ้ารัฐฐานหนึ่งผ้านุ่งอาบ1รวม5 4. การขออนุญาตบวชฝ่ายพิกษุ สำหรับคนที่ไม่ใช่ข้าราชการคงได้รับอนุญาตจากมารดาบิดาเท่านั้นส่วนภริยาไม่จาเป็นที่ว่าจะต้องได้รับอนุญาตฝ่ายภิกษุณีสำหรับภิกษุณีนอกจากต้องขออนุญาตมารดาบิดาแล้วถ้ามีสามียังต้องได้รับอนุญาตจากสามีอีกด้วย 5. นิสัยฝ่ายภิกษุถือนิสัย4คือบิณบาต นุ่งห่มผ้าบางสุกุลอยู่ป่าฉันยาดองด้วยน้ำมูดฝ่ายภิกษุณีถือนิสัยสคืองดอยู่ป่านอกจากนั้นเหมือนภิกษุ 6. ความผิดสถานหนักคือประราชิกฝ่ายภิกษุประราชิกมีสคือเสพเมถุนข่ามนุษย์ลักทรัพย์และพูดอวดคุณวิเศษที่ตนไม่มี ทำผิดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วต้องศึกบวชอีกไม่ได้ตลอดชีวิตฝ่ายภิกษุณีปาราชิก8คือสข้อแรกเหมือนปาราชิกของภิกษุเพิ่มข้อ5มีความกำหนัดรูปคลำร่างกายของผู้ชายเนื้อเข่าขึ้นมาถึงรากขวัญข้อ6รู้ว่าภิกษุณีอื่นต้องปาราชิกแล้วไม่ฟ้องร้องข้อ7 เข้าไปเป็นพักพวกภิกษุที่ถูกสงฆ์ประนามแล้วข้อ8กำหนดอยู่ไปสู่ที่นัดหมายกับผู้ชาย 7. ที่อยู่ฝ่ายภิกษุภิกษุอาจอยู่วัดในบ้านหรือในป่า ก, ก็ได้จะปลีกตัวไปอยู่ในถ้ำในเขาก็ได้ฝ่ายภิกษุณีจะอยู่ในสำนักโดยลำพังไม่ได้คือวัดภิกษุณี จะต้องเป็นสาขาของวัดพระภิกษุเสมอ 8. การระ ง, งับอธิกรณ์ฝ่ายภิกษุตัดสินความผิดในระหว่างภิกษุด้วยกันได้ฝ่ายภิกษุณีต้องให้ภิกษุตัดสินความผิดให้ 9. การบวชและศึกฝ่ายภิกษุบวชจากคณะภิกษุสงฆ์โดยตรงผู้บวชแล้วหากจะขอลาศึกก็ได้เมื่อศึกแล้ว หากประสงค์จะบวชอีกก็ได้ฝ่ายภิกษุณีบวชจากคณะสงฆ์ฝ่ายภิกษุกณษีแล้วต้องไปขอบวชจากคณะสงฆ์ฝ่ายภิกษุอีกครั้งจึงจะเป็นภิกษุณีโดยถูกต้องและเมื่อศึกแล้วห้ามบวชอีก10วินยัยฝ่ายภิกษุรักษาวินัยที่เป็นหลักใหญ่คือมาในพระปาติโมจำนวน227ข้อฝ่ายภิกษุณีรักษาวินยัย 311ข้อทั้งนี้เปรียบเทียบให้เห็นฐานะของภิกษุณีเพื่อได้พิจารณาว่าข้อบังคับของศาสนาเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ภิกษุณีวงขาดตอนลงในระยะอันสั้นจริงหรือไม่หกพฤศจิกายน2504